พระธรร ม, มเทศนาโมโหสดจาดกจอมปราแทงมิถิลาภูกทิสิบเก้าฟังแล้วเกิดพยาปัญญาปหาหเฮชลาดเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับปืนเมืองโดยป่ออินสมใจชมพูป ร, รียธรรมหกประยกนธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจียงหาอตโม ตัดสาภกวตตอะระหตตสัมมาสัมพุทธัสสะโพธิสัตว์เกหังปตัสวะโปตะกังอามันเตตวะปิเศสิติ สาธุดุราสปูดิตาตั้งลายตั้งยิงใจหนุ่มเทามีสัททาเก้าเป็นพาทาน <c oughs> ต่างใจบ้านพ่องแผวเจือกุนแก้วตั้งสามอันเป็นแก้วงามบิเศษปาป่นเขตอบาย มาหนังยายแต่เจ้าทาอยู่เฝ้าฟังธรรมจุงดาจาติดต่อตามบัดคอบาลีว่าโพธิสัตวเกหังปัตตาดังนี้เป็นต้นบัดนี้แดเตือ ปุธีสัตตอันว่ามโหสดนุมเนานอพระเจ้าทารงญานกันลาเต้าภูบาลบิเตหราชจากภาษาดหอจันเรียาพพันไปสู่ถึงตีอยู่เกฮาก่อปิจจาราณาคืดไขว่าจังจุวยเต้าไทยสันใดขานิ่งในลืมเรา จิงเรียกนกแขกตเตาเตรียมใจหฮือมาไว้บอจ่าจอยู่ต่อนาบัเดเนวแล้วจ่าเลี้ยวเก่าูฮื อ, อ, อมันหูขีา่าวัดดูราสกูณาแขวนใจกูเลี้ยงไวเตรียมใจมึงจุงไปรีพาวสู่เขตดาวจุลนี ฟังข่าวดีหรือหายในต่างค่ า, ายแดนไกลเหตุเจ้าห่อใจยศใหญ่จักยกลูกนอไทยสายตาหเป็นจ้าย่าร่วมคางแ <c oughs> ห่งเจ้าจ้างเมืองเราจุ้มโมเข่าไผ่ใตตั้งคนแก่นใจเตรียมใจอันกู้ส่งไปอยู่เฝ้ายัางเต่าเจ้าจุลณี ก็บอกหูดีแจ้งทียังกำลับลี่อุบายว่าเต้าจักถท้าวไอลูกเต้าแก่เต้าเจ้าเรารา <c oughs> ตามท ร, รมาดาแต่ก่อนร้อยรียดบอลประเพนีเสือไม่ทีมันแก่นเป็นปึกแผ่นเดียวกันหรือเอาจอมขันหน่อยนอ เป็นเยื่อล่อนำตั้งนำเจ้าห่อควางวิเตหาราชไปคาขาดบำบายภัยบ่หมายหูใด <c oughs> ย้อนเต่าไตจุลนีกับปูกาลีบาปเ้าคือเกวัดเทาอาจารย์ได้จะขานต่อถอยในภาษาดซอยไปบน บ่มีคนน้อยใหญ่จักอยู่ไกลกองตามีแต่สาลิกาตัวแม่อันอยู่แก่ห่อในกำเข้าไข่กอา้สาลิกาเตียงหูหันใส่มึงจุงไปต่อถอยกับแม่น้อยสาลิกาแสงไข่จ้าต้านกาวหูข่าวตามี แล้วรีบหนีปิกปอกวายนาออกขึ้นมาไขขี้ยาเก่าอู้ฮือกูฮูความในนกเตรียมใจตัวชาลาดฟังเจ้าน้อยนาดไขปัน <c oughs> ก่อเร็วปันรีบพาวบินสู่ดาวเวหนดังลมจนที่ตองบินวาว่องเด๋ยวไว้บ่อนานเต่าใดก็รอดเมืองแกหยอดอริ t ะ ปาราบินลงมายังจอดฮือหิวหอดไม้หายแล้วพันภัยบินต่อวายนาหล่ออุต ร, ระปัญจาละนะกร <c oughs> งยามตาวันตอนเตียงคอนก่อไปรอดบนปาราแห่งพาญายดย่าคือตันเต้าจุลนีนกตัวดีแกว่นใจ อันภาสาตร์ใหญ่เจียงจินก่อผูบินไว้ว่องลงจากหองเวหาจับหลังคาภาสาตแห่งเตาที่ราดบัดเดียวแล้วรีเรือกูร้องเสียงมีกองสามตีนนกเจ้าปุรีตัวแม่อันอยู่แก่ห่อในฟังเสียงไ่นกปู ใยจื่นสูปพญาร้องตอบมาบอดจ่าพร้อมทวนนาสามหนกหนอตัสาปนบุญใหญ่ก้อยก้อไตลงมาจากหลังคาเตือนหน่อยร้องตอบทอยเป็นไม้นกเต่าผีพายบาบกากร้องตอบตาสามตีนกหนอมูนีแกว่นใจหูแจง้งไข้สัญญา บินลงมาไว้ว่องจับนาปองหอใจเล็งพอไปเสียงไข่บ่อหันไั่ใหญ่จักมีแสงร้องสามตีแถมเราเป็นเงมือนเก้าสัญญาสาลิกาตัวแม่สัตตาแพรเล็งหันมีใจวันจื่อสูไขรได้เป็นกู้สามิกา จิงแซงจากเก่าจี้ว่าขอเจ้าปีแดนไกคดมาไว้อย่าจ้าอยู่ไกค้าบัดเดียวแขกเก่าเร็วไว้วง่งบินเขา ห, ห้องหอน้อยก่อยอดใจก็ไต ย, ยับจับอยู่ไกล ข, ข่วงคำแสงไข่คำทำเล่าว่าดูรานังนอนเนาโซภา นั่งหาโรกาบ่อใดบ่อมืวยใครหนาวในซับปาไผยอุบาทบ่อมาปาดเบียนวีเข้าตอกดีพงใหม่นำเพิ่ใส่ลำวานตา้าภูบานที่ราดยังปั่นขาดตั้งวันจารื้ตีนันสาลิกาตัวแม่มีใจแพ้ใจบาน จิงจะขานตอบเล่าว่าคาแดพี่เจ้าแดนไก่้าอยู่ในภาษาศาสตรโบมีผ่าญาติเบียนขี้เข้าตอกดีพงใหม่นำเพิ่งใส่หอมหวานตต้าผู้บ้านที่ราดปันบอกขาดวันใดแลออก่อไข่ากาวถอยด้วยกำอ่อนอ้อยปีญญาฮือสะกุณาแขกเต้า กินข้าวตอกเหล่าจอมกันและเรียวปั้นทำเรล่าว่าตัวปีเจ้าใสา่ใจอยู่เมืองดใดไก่ไก่ไข่หูไข่ขี่ยาสันใดจ้าบินสอดพดมารอดทอจันบ่กเกยหันปีเจ้าแต่ก่อนเก่าเดิมมาขอไข่าจากเก่า้ฮข้าหูตามมี นกตัวดีแขกเต่าแห่งหนอพระเจ้าบุญนาฟังาลิกาถามข่าวถึงดานดาวเวียงใจก่อขานิ่งในสั้นทีว่าจักจีตามี <c oughs> ว่ามาจากปุรีแต่ต้องคงเขตห้องมิทีลาสาริกาดีเล่าแม่นตัวเก่าจักตายเตียงบย่ไม่เก่า มือได้หูความในจริงแสงไขตานกาวว่าปีิมาจากดาวอาริทนะกอนแห่งเต้าผู้ทอนศีวิราชเจ้าภาสาตวคำเหลืองเต้าบุญเรืองนันไสเมตตาใหญ่เหลือลายบ่อได้หมยขังไว้ยังสัตว์หน่อยใหญ่นานาปีอาศาอยู่เฝ้า ที่นอนเต่าเจ้าบุญดำอยู่ข่วงคำอันใหญ่ไข่พาตูไว้เป็นดิรันปีบินพันแอววเล่นบ่อไดเว่นวันใด <c oughs> กันตาวันใส่คำลาจริงอายนาคืนมาบ่าเหมือนสาลิกาแต่ใส่ตั้นขังไว้คืนวันบ่อไดหันต่างห้อง ้แต่ต้องพังกาตั้นเคขานักแก่อยู่แต่ค่วงคำสาลิกาถามแถมเล่าย้อนไข่หูเ ก, ก้าขีญาวาสันได้จ้าวันนี้ปีมานีเดียวได้นกเจ้าบุญภายตอบทองว่าดูรานางน้องสาลิกา พี่ขอจะาบอกเล่าหื้อหูเก้าตามมีแต่เดิมทีเมื่อก่อนพี่อยู่บนปาราวีภริญาแอมค้างร่วมเฝ้าเจ้าจ้างบุญภายนางได้ตายภาคนาย่้อนแล้วอยาบจ่าตารนมาด้วยหนอากาศไว้ขานาดเดือดตา ย่มผาริญาปีไทยเอาไปเลี้ยงใส่ตัวมันโศกทุกวันใจปีสุดเสียงตีจักจาใจเวว่าไม่เดือดบ่หเหือดเบาบางเจ้าหอขวางยศใหญ่หันปีเอาไม่เครื่องขี่ก่อพานีา้เก่าจี้เอหือกพีหายมองว่าจักทะรีปองซอไซ หาภริญาใหม่มาปั่นเต้นจอมคันภริญาเก่าอันแลวบาปเศร้าป่าไปปีก็ไข่เก่าหื้อเต้าหูตามรายว่าบ่อเกึดใหม่ไข่ใดยังภริญาน้่ยใหญ่คนใดย้อนบ่อหันไผ่ไกลๆหูแจ้งไข่จบทองยังวัดกองแบบเบา ดังพะรียาเก่าตายไปต้าก่อไข่เก่าจี้เฮอแจ้งทีขีญาวาบิสาลิกาตัวหนึ่งเล่าอยู่กับเท้าเจ้าจุนันนีก <c oughs> องวัดดีองอาจผู้ฉาลาดจบทองจุงจำลองไปพอเฮอแจ้งต่อสายตากันปิญาไข่ได้ มาอยู่ไกลแปลงปั้นจุงภายพันปิกปอกมาใครบอกตามมีจักปาเตวีอัการาตังอามาตโยธาก <c oughs> รีบไกลกาไปเฝ้าซึ่งเต้าเจ้าจุลนีอันจุลีน้อมไบบอกเต้าไทายปารา ขอสาลิกานนอยอ่อนมาเป็นกูซ่อนดังหมยหืมีสุกลายบ่ผ่อนดังแต่ก่อนอ่อนลังปีได้ฟังเต้าเกา่าใจจืนเยาหนานำ จากขอคำภาษาบินขึ้นอากาศเวหาเรีบบินมาไววว่องจิงมารอทองห อ, อนางดังสลีคิงบางนอลาไดหันนาบัดเตียวนี่และนะ ซาลิกาตัวแม่ฟังกำแกจะไขแม่นมีใจจื้นสูใครได้เป็นกูเตรียมคิงไขแป้งปิ้งวันกอดย้อนหักกอดนำนา ก่อสงมายาเกาจี้ดังบ่อเป็นตีเพืงใจว่าพิษวิสัยแต่เล่านกแขกเต่าดองดอนจักมานอนรวมซ่อนกับนกน้อยอ่อนสาลิกา คนเตียงจะตานเ่าวไปไขดาวอานาดกดงนาแขกเตาจักมีกู่เฝ้าเตรียมคิงมาแป้งปิ้งไฝเอื้อควรเป็นจ่าเชื่อเดียวกันซาลิกาดงตันนันใสจักมีกู่ไว้เตรียมคิงอยู่แป้งปิ้งคำเจ้าควรเป็นเชือเผาซาลิกา กัมพิจาแต่กีบอเป็นตีเพิงใจย้อนพิษวิสัยแบบเบาร้อยรียดเก่าท ร, รมดาสุวะโปตากาแขกเต้านกหนอพระเจ้าบุญมีพัญญาดีบ่อน้อยได้ยิน้อยสาลิกาลักและตาสั้นพอก่อแจ้งต่อในใจว่านางแสงไข่เก่าแก่ ในใจแต่ปิญญาปากนั่งจากวางปล่อยใจจองห้อยแป้งปั้นจริงไขรปันเกาอูซาลิกาหูยาวไปวาดูราสลีนงงไว้่อเนาจุงฟังพี่เล่าไครจากคนต่างภาษาต่างจาดกันบอขาดไม่ที พี่ยาวีว่วงครองจักอยู่รวมห้องจอมกันบ่อพิษพันแต่ใสตั้งแต่ไทยเดิมมาคนต่างภาษาต่างเตดพ่องสูงดังเพดดงดอนพ่องข่าวปอนเสียงซ้ำพ่องดำกำเส ม, เมอกาพ้องกาญาต่ำเตีย้ย พ่องคอมเปียเสียขาพ่องอยู่ดงนาป่าไม้พ่องอยู่เมืองใหญ่เวียงใจกำจาะไขเก่าอูปอบ้องภาษาคนหน้าตต่างเตจกันจิเตเจตเสมอกันต่างแปลงปั้นหักคอดบอละตอดไม่ทีพี่ยามีบ่อผ่อนจักรวมซ่อนแปลงปิง ย่อมสมขาดิ้งไฟเอือบ่ว่าจะเชื่อเจ้าได้บ่าพิษวิสัยแต่ก่อนเจนปูบอลเดิมออนขอใส่สะมอนน้องเนาฟังเรื่องเก่าเมื่อนานยังมีเต้าผู้บ้านตนหนึ่งไส่อว่าเต้าไทยสุเตวราจ่าเป็นพญาเจ้าจ้างในเมืองกวางตาวราวดี เมือ่อหลายปีขวบเขาบ่มีนา่งนาเนาจ่าหญ้าวันหนึ่ง phải, uan, mai, ان, นันานาเ ต, <c oughs> ต้าไยไปสู่ส่วนดอกไม้อวิญานหันนา ง, đi, างจาันทานต่ำโต้อเชื่อจ่าถอยกาลีเต้าว่าชมนางดีชาาเลมดังจางเต็มหากริษนาเต้าปีหญ้าแฝงไฟจิงเรียกมาไกลจถาท ว่านางงามบ่้อย บ, อยบอย่มีกูห้อยเตรียมใจจิงนำนางไปเป็นกูรวมซ่อนอยู่ผังก้าห้อเป็นจาญยาแนบคาง <c oughs> รวมก่อสร้างสเสวยเมืองนางบุญเรื่องนันใสก็พาสดใดบุตตาคือพระญาศีวิราเตจอาลือไก สะเว่ยเวียงใจแตนป่อสืบติดต่อเหมือนมาคนหนาหนาหน่อยใหญ่ใดหูไข่ดีลีเจ้าปุรีธิราชเป็นเจา้าจัดกษัทธา เอานางกัญญาเจ้อถอยมาเป็นกู่หอยเตวีปล่อยได้ลูกดีนดใหญ่หัวแจงว้งไข่จบทองยังบอผิดกองแบบเบา้อยรียดเก่าโบราณเราเป็นสัตริชานตำไตจักพิษรีดใดสันใดดูราสีลงไว้หน่อยอ่อนเรื่องเก่าก่อนมีน้ำ ปีจากนำมาก่าหืดนางหูข่าวหันใสมีจีไพรตนหนึ่งเล่าคือว่าเจ้าราสีอยู่ดงรีป่าไม้ที่จิมไกลดอยผาอันมีกู้าใหญ่กว้างกินนรีอยู่สร้างลวงลายถึงยำไงก็ออก มาปายหน่อกูหาแอวดงนาดันปากันคำลาลงแรงตาวันแดงย่อนหอยลับเลียมน้อยอยู่กันทอนจิงเตียวจอขคืนสู่ยังที่อยู่กูหาทัดนันมาบ่จ้ามีกำปุ้งหยาบกาพงพายตัวเต่าควายสามเข้า ขามันเตโาบ่งสร้างจากดงควางเถื่อนทองมาอยู่ปาก้องกู้หายา่ำกินนรีกาละพากออกมาจากภายในมันเร็วไวย่มใดกาบขอไวบัดเดียวแล้วรีบเร็วดูดเลือดหือแห้งเหือถึงตายกินนารีไหลบอ่อน้อยตายกาดก้อยตั้งวัน เอาปากันรบภาบบอแปะแกำปุ้งหยาบจังไรสุดวีัยแต่ใสจริงไปขับไประสีว่าคอไปตีคำคากำปุ้งหยาบจ้าเมื่อมอนจีดงดอนปากวางกา่อเ่าอังกำไปว่ากูรักษาสินใสวิเศษอยู่ในเขตดงนา ย่อมเมตตาเสียงไข่ยังสัตวน้อยใหญ่บนดินตั้งสัตวตัวบินอากาศบ่อได้ขาดคืนวันย้อนใจวันคำเจ้าเอานิพพานเจ้าเป็นมายฆ่าสัต์ตายนั่นใสกูเยะบ่อได้ตามกรรมจักเป็นกรรมจองกองลงสู่ห้องเอาเวจี กินนารีมวลหมูฟังระสีอูไข่จาตุกเครื่องกาหลายแหล่บอจางแก่สันไดทัดนั้นไปแถมเล่าก็ผาดับนางนอเน่ากินนารีหูงามดีวิลาศดังดังนาษสาวสาวันนั่มาปันบอจ่าอยู่ต่อหน้าระสีแล้วไขวตีเก่าท้อย ว่าขอถาวายนางยอดซอยโสภาเปื่อรักษาอยู่เฝ้าปฏิบัติเจ้าราสีคือปัดวีปัดกวาดยังอาวาดสาลาตักนำมากินใจหืออยู่ไกลคืนวันราสีหัน์สาวน้อยงามจื่นจ้อยเรือใจดังเทวดาในจันฟ้า หลงแหลงลาลงมามีปีญญาหักขอดยังดางยอดกินดารีสินดวงดีเบียดไว้สืบเสียงไขว่ลืมเสียงไขว้ซับปัน อกเป็นควันวยวันบ่อตั้งมันเรร้นดังหัวใจตนจักแยกขันตีลวดแตกบัดเตี้ยกอรีเพียวรับไว้ยังดังดัดไห้กินนารี <c oughs> เอาขอนไปตีบอดเจ้าือกำปุุงหยาบกาบอมวายเฮกินนารีลายมวนมากใดป้นจากเครื่องกา แลออกกมารวมซ้อนกับนางน้อยอ่อนกินนารีมีบุตรตาบุตรตีลายแลสืบติดแผลตัวมาดูราสาลิกาหนอเนา w ราศีเจ้าเป็นคนโย่ไพรสนเถื่อนทองใดรวมห้องกับกินนารีบอพิษกองดีแต่เก่ารอยรียดเก่าโบราณ เราเป็นสัตาริชานตามตจาจจะผิดรีดใดสันใดข้อสีนงไว้น้อยหนาดอย่าตัดขาดไม่ทีคฮือ <c oughs> ตุกปีบีลายหลากใดนิภากหายหลนกันนกหนอตะสะปนตัวจาลาดก่าวเสียงขาดกำจา สาลิกาตัวแม่แม่นหักท่วมแผ่หัวใจก่อแสงไข่เกาวจี้ว่าบ่แม่นตีธรรมดากันสายตาพี่เจ้าไปปาเจื๋อเผาเดียวกันจักติดวันจ้องหอยละข้าหน่อยมองขีพี่เตียงดีผาค้ัง คือ้าเป็นห้างเดียวได้แม่นใจใหมายฮักขอดบอ่ละตอดเสียกันกันถึงวันไปนาเตียงนายค่าดีดีนกหน่อมูนีน้อยหนาจบฉลาดมาญ้าฟังศาลิกาเกาอูแสงบ่สูเพิงใจจริงจะไขตานต่อ ว่าดูรานาังนอสานิกากันบ่ปีญานยังปีใจบ่กี่ผานีปีขอนีจากน้องออกจากห้องบัดเดียวเพื่อปอกเร็วขึ้นสู่ยังตีอยู่เดิมมาผพาญาญย์ใหญ่หานางใหม่แดนไก่แสงคดไหลออกทาง เปืือกผักข้างไก่กาสาลิกาอ่อนน้อยแห่งเตาหยอดซอยจุลนีหันนกตีแขกเตาแห่งนอพระเจ้าหยอดตะสะปน <c oughs> จักเอาตนนี้จากใจนังหากเววาดังจักมาราณาการกาจีวิตขาดเป็นทีย้อนปิญามีลายแล มาทวมแผ่หัวใจจริงแสงไข่เกาวจี้วัดูราปีใส่ตาโบรัญจาวาไว้ตั้งแต่ไทยเดิมตี <c oughs> ว่าจักขาสลีล้วนทวนบก่กวรดวนเร็วไว้กวรอดใจเยินไว้จักสมไฟดังมายคอตนใจปีเจ้า อดอยู่เฝารอรากันตาวันดาคำลาลงละป่าดงตันจักได้หันเต้าไทยว่ามียดใหญ่สันใดเ <c oughs> จ้าห่อใจต่างดาวร้อยเอเต้าผู้บ้านจักเป็นปริวานแวดเฝอยังเต้าเจ้าจุลนีทารุงสังลีองอาด ในภาษาตรงกันจักปากันมวนเล่นบ่อได้เวน้นอันได้พอนางไในน้อยอ่อนเล่นแอนฟอนคับระบำด้วยลำนำอ่อนอ้อยฟังจื่นจ้อยเอาใจสาลิกาไขเมียนจอดนกเจ้าหยอดบุญมีแสงจักมีผากนาก็อดอยู่ท่ารอไป พดตัวไหลไว้ว่องเข้าสู่ห้องควงคำต่างไข่กำต่อทอยมีบ่อน้อยนานาก็มีหันและนะ <c oughs> กันร้อยที่มารอดนกเจ้าหยอดบุญภายแสงอู่ยบก้าว่าพีไข้หูเลือใจยินสงสัยนักแก ให้บอกแกไขปันน้างจอมขันน้องเนาอาจบอกเราไขาคำหรือบังอําลับรีบอกเก้าจี้ขี้ยาสาลิกาตอบเราว่าวันนี้เป็นเก้ามงคลอันตัวตนปี่น้องใดอยู่ห้องจอมกันพี่จอมขันไขหูจักเกอาจะาม กันเป็นมงคนงามผ่าเสดเกิดลำเลิดเจียงจิน้นน้องได้ยินและหูจักเกา่าตาหมี <c oughs> กันเป็นหานีอุบาทก็บอกอาจจักจาดกนอปุทธาตอบเล่าว่าดูรานองเนากิงรามปีจักทมนี่ใส เพดมงก้นใหญ่ดีลีบอดใจหานี้จะถอยจักจองหอยเราราสาลิกาเกาจี้ว่าขอเจ้าพีใสใจจุงเดียวใถทมข่าวน้องจักเกาตามมีนกหนอมูนีหนอดซอยก็กเกาถอยจะทำว่าดูระานางังขิงงามหล่อเบา กรมคนเล่าหรือสาวาพาญาจุลนีราเตจะอาหรือไกจักยกสายใจลูกไทยพงขึ้นใหญ่เป็นสาว <c oughs> เป็นดังดาวรุ่งฟ้ามีจอว่าปัญจาละจันทีือเจ้าปุรีวิเตหราชเจ้าภาษศาสวิธิลา สันได้จาเต้ า, ตาไทยบ่มักไฟแปงปันยกยื่นปันแก่เต้าตนภาพดาวตั้งลายสันได้ไม้ป่งขาดแก่เต้า ว, วิเตหาราชตนเดียว ยุงรีเปรียวเกา่าหื้อปื้อหื้อปีหูขีญาสาลีกาตอบทอยว่าเป็นคำทอยหานีบ้บอเป็นคำดีสักกากบอกเป็นเก้าหากพงคล นกนอตะสะปนตาต่อวาดูราดังนอโซภากรรมดังจ่าแต่กีบอแจ้งทีหันไซปพี่ส่ใจเป็นแก่นวากำดีแม่นมงคล ย้อนว่าตนตันเต้าภาพแผ่นดาวเวียงใจจักยกสายใจลูกเต่าแก่เต้าเจ้าแดนไก่เป่งมุ้งก้นไปแต่ใส่บ่อใจกำถอยไรหานี สาลิกาไขวาตีตอบเล่าว่าคาสกากสัตว์ถูกเข้าไปจูติดต่อเพื่อสร้างกอบใบที่จกเป็นมงกลดีผ้าเสื้อเกลี่ลำเลิศสันใดกกำบังใบนั่นใส่น้องหูไข่จูผภากกาดนกหนอโป๊ทีา่านยอดซอยจริงต่อถอยกำไป ว si ่านางจุงไข่เกาอู <t ry> <ak> ่ฮือปีหูขีดยากันบ่จากเกาจี้ฮือแจ้งที่ต่มีปีขอนีจากน้องออกจากห้องบัดเดียวยอดนางตาเขียวลับลี่บ่วางใจปีตามทำดอกเจ้าห่อคำจุลนิราตรนไม่มาดไปในปานดังไฟไม่เอา ขวนกแขกเต่าจักนีจิงไขวาตีบอกเล่าว่าดุราปีเจ้าใสา่ใจเจ้าห่อใจจุลนิราษญะสะอาดนำนาบ่พาธานาติดต่อสืบสร้างก่อไม่ทีกับเจ้าปุรีวีเตหราชเจ้าภาศาพิธีลาเต้าพาธานาไขค้า คือความนาเป็นพีกับมโหสถเสนบอดียอดใหญ่คือตายพร้อมไข่จอมกันจริงวัางปันปงขาดเฮือเท่าห้าหาดเกวัดอาจารย์ <c oughs> นำราะสารไปไว้ส่งเต้าไทยวิเตหาราชวา่จาจักปันธิดาดอนเอือเป็นเก้าเทวีต กันเจ้าปุรีวีเตหราชบอกหควาดขีญยาหนมโหสดมาเป็นกู่เข้าไปสู่หอใจเสนาในหน่อยใหญ่จักยับไวซับปันแลอวแต่งฟันคำคาเฮความนาวมไวดอกเจ้าบุญพายได้หูแสงจื่นสู่จมบาน ว่าเกวัตอาจารย์องค์อาจจบชาลาดเหลือคนกวรเอาตนอยู่เฝ้ากับเต้าเจ้าจุลนีตังไขวตีต่อถอยแล้วก็ม้อยลับไป กันตาวันใสรุงเจ้านกแขกเต่าต่างตากรลาสาริกาบอกจ้าขอไหวหน้าขึ้นหลังไปบอกยังเต่าใต้หูไข่ขี้านำโยธามาเต่ามาขอเต่าเจ้าจุลนี้เพื่อนำสรีนาต้องไปอยู่ห้องจอมกันพัดนเจ็ดวันเป็นวันปีจักดันขึ้นมา สาลิกาอ่อนน้อยได้ยินทอยจากใครดังหัวใจจักแตกฟุ้งย่อยแย่เพทายอนสิเนหาลายหลากบ่งภาคนีไก จิงตัดใจบอกเล่าว่ากันปี่เจ้าสายตาจักไกลกาขึ้นสูญยังตีอยู่เดิมอ้อนหเตา้าผู้ทอนหูเขา่าจุงรีบพาวมาปันกันเจ็ดวันคบค่อยดังดัดไว้เป็นายตัวคำใจปี่เจ้าบอกบอกเตา้าขึ้นหลังยาได้วังหันหนะ้าตัวแห่ง้าสาลิกา เสียงมาราณากอยกาชีวิตขาดดีนีนกตัวดีแขกเตาแสงลมเล่านานาแล้วไก่กาไว้ว่องออกหน้าปองเบ่งจรรีบบินจ ร, ร, นจรไววาดขึ้นอากาศเวหาแสงปอกมาตีเก่าลาลืมเล่าลายหนดังกังวลจ่องหอยยังสาลิกาอ่อนน้อยเหลือลาย ุลสุดปลายบอดจ่าบินขึ้นฟ้าบัดเดียวบินรีพเพลีวบอดจตอต่อเต่ารอดมิทิลาแล้วใครจากเก่าเออเจ้ า, จาโหโจพัการกอบีวันนั้นแลนานิดที่ตั้งกีญาสังวันนานาวีเศษจาห้องเหตุมะโหสุดผูกสิบเกา กอบังคมสม็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล้ว